ไม่ได้ยินอาจารย์สรงถินพูดเลยใช่ก็ได้แล้วมีเสียงหรือเปล่าวันนี้อมอมีเสียงนะโอ้วันนี้เนาะตอนข้างหนึ่ง ในวัดป่าสุขโตที่มีผู้คนมาจํานวนมากเต็มฉลาห่อไต่พอดีแล้วก็ผูมิใจว่าถ้ามาที่นี่ก็มาทำความดีมาละความชั่วก็มีความหมายอย่างนี้ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามวินัยขนจะมาปฏิบัติตามธรรมแล้ว คนไทยเห <c oughs> มือนกับจะมีที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประเทศชาติีแล้วเพราะคนจะเป็นคนดีแต่ละความชั่วทำความดีต้องเหตุนแน่นอนเพผิดความถูกเมื่อเราศึกษาวิชากรรมฐานแล้วห <c oughs> ลักูตรนี้ ทำให้พูุ้ดชนเป็นพระยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาได้ว่าเป็นหลักสูตรจริงๆเราจึงมาทำตามที่พุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้พระอรหานเกิดขึ้นเพราะทำเรื่องนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานเป็นที่ตั้งของการกระทำ เอากายเป็นหลักสูตรเอาจิตใจเป็นหลักสูตรเอาสติเป็นนักศึกษาอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเอามาเป็นหลักสูตรทั้งหมดหนึ่งละเราอยู่กันจำนวนมากอาจจะไม่สะดวกควงมไม่สะดวกก็เป็นหลักสูตรที่ทำให้เกิดสติรู้สึกได้ไม่เอาความไม่สะดวกมาเป็นความยากลำบาก อาความไม่สะดวกมันเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราศึกษาตามธรรมไปไหนเอามาให้เป็นธรรมให้เป็นไปไหนทั้งหมดให้หลุดพ้นทั้งหมดบางคนอาจะไม่เคยกลางงุ้งนอนก็มีวัฏการเกิดมาทั้ง ชาติอาจจะมีความสะดวกสบายมามากอาจจะไม่เคยหิวอาจจะไม่เคยเข้าคิวเข้าห้องน้าห้องซ่วมก็มีเหมือนกันนั่นแหละเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องปฏิบัติตามธรรมตามเรื่องไหนเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับกา่ายกับใจเรว่าเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเวียนล่อยเป็นดีทั้งหมดเลย สักเก็ตวันลองดูจะเห็นนันที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันเคยผิดจะมาเป็นเรื่องถูกต้องเรียกว่าลงในความรู้สึกตัวซะรวมหลงก็มาลงที่ความรู้สึกตัวซะรวามทุกข์ก็มาลงที่ความรู้สึกตัวซะความโกรธความร้อนความเหนีวความหนาวความผิดความถูกมาลงที่ความรู้สึกตัวซะ มันจะไปได้ยังไงมาเนี่ยไปถึงไหนมันจะไม่มีความรู้สึกตัวเป็นไปไม่ได้เพราะความรู้สึกตัวให้เป็นเคยพูดอยู่เสมอว่าเหมือนลอยเท่าของช้างรอยเท่าสดื่นมันเล็กกว่าลอยเท่าของช้างสดทั้งหลายทั้งหลายในโลกนี้ เลอยมันมาลงที่ลอยเท่าของช้างก็ย่อมกลายเป็นลอยเท่าช้างได้ทำทั้งหลายที่เกิดกับอาการกับกายกับใจของเราเนี่ยจะเหมือนลอยเท่าของสัตว์ต่างๆลอยวัวก็เป็นรอยวัวรอยควายก็เป็นลอยควายรอยหมูลอยหมาก็เป็นรอยหมูลยหมาเมื่อมารวมลงที่ลอยเท่าของช้างแล้วก็กลายเป็นลอยเท่าช้างด้วยไป ฟังได้ไหมเนี่ยเสียงแบบนี้ดันเต็มที่นะเสียงมันก็ย่ดีด้วยเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าทรหลงตัวได้ปฏิบัติได้เอืมหลงมาเป็นความรู้ได้เอือมทุกข์ก็มาเป็นความรู้สึกตัวได้ เว่าเรามีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นลอยเท่าช่างเอาไว้เหนกายตามวิชากัรมาฐานก็เฉืนเข้ารู้สึกอย่าเฉืนดอกรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่ไม่เคยความรู้สึกเราก็รู้สึกทันทีกลับมาที่นี่ทันทีเนี่ยปฏิบัติตามธรรมวาอมหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมความทุกข์เกิดขึ้นมาในเขาที่เราปฏิบัติ เปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวสาเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวสาเอาเป็นหลักสูตรทั้งหมดให้ขยันเท่านี้อย่าปล่อยทิ้งจะให้กระจุกกระจายไปเป็นอื่นได้ความหลงเป็นหลงมันไม่ปฏิบัติตามทำไม่ได้ถ้าความหลงเป็นรู้สึกตัวคือว่าปฏิบัติตามทำไม่ได้ ถือว่าละความชั่วถือว่าทำความดีแล้วรักษาศีลแล้วศินคือต้องรักษาแบบนี้ศีลจิขาศีลที่แต่หลงกิเลสถ้าให้คนเป็นคนดีก็ต้องรักษาแบบนี้เอียนลอยเป็นดีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นรูปแบบเฉยๆเป็นภาคปฏิบัติลงไปจริงๆเฮ้ย ทุกเป็นทุกเคยหลงเป็นหลงเคยโกรธเป็นโกรธเคยดีใจเสียใจจะมาเป็นความรู้ทั้งหมดนี่คือรักษาศีลปฏิบัติตามศีลปฏิบัติตามธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมแม้แต่ความผิดก็ไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมเอาลงป่อยความถูกก็ไม่เป็นธรรมเอาความรู้สึกตัวให้ลงปอย ให้บรรลุนทุกอย่างความสุขความทุกข์เช่นเดียวกันเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเพราะเราทําได้อยู่แล้วกลับมานี่กลับมานี่ให้รู้สึกตัวอยู่ที่นี่เที่ยวกรรมาฐานที่ตั้งของการกระทําทุกคนทําได้ยกมือขึ้นรู้สึกตัวทําได้โด เ, เฉพาะกรรมาฐานนี้ที่พอเพียงเพียงพอที่จะเกิด ขึ้นมามากได้วินาทีละรูวิทีละลู ว, ทลลวทลิทีหนึ่งรูทีหนึ่งนะโดยตามวิชากรรมาฐานรูฉันเข้าเหย่อฉันดอกการเคลื่อนไหวของกายมาเป็นสูตรตัวหนึ่งเพื่อตั้งไว้หัดสอนตัวเองให้กลับมาที่ตั้งให้เป็นระเบียบนาทีนี้ให้เป็นระเบียบที่นี้ สนาทีรู้ที่นี่สานาทีรู้ที่นี่รู้ทุกหนาทีก็มาถามในเพียงพอในการที่จะปฏิบัติในการที่จะศึกษาตามธรรมเอนยัยใส่ใจสักหน่อยให้มีโอกาสหาโอกาสจยโอกาสปฏิบัติตามทำให้ทุกโอกาส ม่ใช่อยู่ในรูปแบบอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติเกิดขึ้นได้หลายอย่างทางตาทางหูจะโบกลิ้นกายใจบางทีมันก็คิดโดยเพราะชีวิตของเรานี่มันเคยหัดจิตเวลามันคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดอะไก็ได้เรานี่ไม่ใช่มา น, นั่งคิดไม่ต้องไม่ท่องใช่สมอง ไม่ใช่มาเหตหาเหตุหาผลมามากระทํามามีการกระทําให้รู้สึกตัวเวลามันคิดก็ให้กลับมารู้สึกตัวอย่าไปตามความคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดกลับมารู้สึกตัวซะให้ความคิดเป็นความรู้สึกตัวซะมันจะได้สอนจิตที่มันคิดตวานของจิตคือมันคิด ทวานของกายคือวานเคลื่อนไหวยังไมีอยญ่ใหญ่สองทวานนี้คือกายกับใจเรื่องของกายก็มีมากเกินดขึ้นาปก็มีมากเกิดขึ้นกับจิตใจก็มีมากสิ่งที่มันมากมากเป็นอันหนึ่งซะมารวมลงที่ความรู้สึกตัวซะ ก็จะได้คินได้ชำนานหัดไปใหม่ก็ให้ที่จะหลงหัดไปหัดมาก็ให้ที่จะลูก